ต้องชัดแก่ตนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นว่าจะอ้างจะเอามาใช้ฉบับไหนไม่ว่าขอให้ถึงพระไตรปิฎกบาลีการผ่านมาหลังปีพุทธศักราช2500แล้วก็ค่อยๆปรากฏมีพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับอื่นๆ น, นอกเหนือออกไปจากฉบับสยามรัฐเช่นพระไตรปิฎกบาลีฉบับมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัย เรียกชื่อเป็นภาษาบาลีว่ามหาจุลาเตปิตกังแล้วต่อ น, นั้นก็มีพระไตรปิฎกภาษาไทยที่แปลาจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับมหาจุลานั่นเองตามมาเกิดเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยเวลาผ่านมาผ่านมาก็มีพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับอื่นๆเกิดขึ้นอีก แล้วก็มีพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับใหม่ๆที่แปลาจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับนั้นขึ้นมาเข้าคู่เหมือนเป็นคู่ชุดจนบัดนี้มี 3-4 คู่ชุดในประเทศอื่นๆก็มีพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่รักษากันสืบมาในประเทศนั้นๆซึ่งเขียนจารึกหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่ใช้ในประเทศของเขา ในพ ม, ม่าก็ใช้อักษรพ ม, มา่าในศรีลังกาก็ใช้อักษรสิงหนบางประเทศไม่มีพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่รักษาสืบมาในประเทศตัวเองก็เอาฉบับที่มีมาเดิมของประเทศอื่นนำไปคัดลอกโดยใช้ตัวอักษรของตนอย่างที่ประเทศอังกฤษก็เอาพระไตรปิฎกภาษาบาลีของศรีลังกาที่เป็นอักษรสิงหนไปคัดลอกเป็นอักษรโรมันส่วนที่อินเดีย ก็คัดลอกไปเป็นอักษรเทวนาครีไม่ว่าจะพิมพ์หรือคัดลอกไปไว้ที่ไหนโดยใช้ตัวอักษรอะไรก็คือพระไตรปิฎกภาษาบาลีอันเดียวกันนั่นเองมาจากต้นเดิมของเดิมอันเดียวกันแต่ไปอยู่ในประเทศดินฐานต่างๆใช้ตัวอักษรจารึกต่างๆกันก็เรียกเป็นฉบับนั้นฉบับนี้ให้หมายรู้เข้าใจกันได้เรียกตามชื่อประเทศบ้าง เรียกตามชื่อตัวอักษรที่ใช้จาวรึกบ้างเช่นพระไตรปิฎกบาลีฉบับอักษรสิงห์หนพระไตรปิฎกบาลีฉบับอักษรโรมันพระไตรปิฎกบาลีฉบับอักษรเทวนาครีแต่ในบางประเทศมีการสอบทานและจัดการพิมพ์ขึ้นใหม่ๆจนมีหลายฉบับถ้าจะเรียกชื่อตามชื่อประเทศหรือตามชื่อตัวอักษรก็ไม่พอ ก็ต้องเรียกชื่อแยกไปตามวาระการสอบทานหรือตามชื่อสถาบันที่เป็นเจ้าการในการสอบทานอย่างในเมืองไทยนี้ก็จึงมีพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับมหาจุลาเตปิตกังเป็นต้นหรือในพม่า ก, ก็มีฉบับที่ถือเป็นหลักล่าสุดคือพระไตรปิฎกบาลีอักษรพรมา่าฉบับชัตทสังคีต ดังว่าแล้วพระไตรปิฎกบาลีนั้นไม่ว่าจะพิมพ์หรือคัดลอกไปไว้ที่ไหนครั้งใดใช้ตัวอักษร อ, อะไรก็คือพระไตรปิฎกภาษาบาลีอันเดียวกันที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าหลักแกนกลางสำหรับพระไตรปิฎกบาลีนั้นอยู่ที่การรักษาของเดิมแท้ไว้ให้ได้คือรักษาพระพุทธวจนะเรื่องราวอัฏพยัญชนะที่มีมาแต่เดิมในพระไตรปิฎกนั้นไว้ให้ครบถ้วน ปราศจากข้อแปลกปลอมบริสุทธิ์บริบูรณ์เที่ยงตรงแม่นยําที่สุดโดยมีการสอบทานระหว่างพระไตรปิฎกบาลีทุกฉบับเท่าที่มีอยู่ให้ลงตัวที่จะตกลงยอมรับเป็นแบบเดียวกันอย่างน้อยให้ถึงกันทั่วการสอบทานให้ลงตัวที่จะตกลงยอมรับเป็นแบบเดียวกันนั้นเรียกว่าสังคยนา แต่คำว่าสังคยานานั้นได้ถูกนำมาใช้ในภาษาไทยจนเป็นคำไทยคำหนึ่งไปแล้วและเมื่อใช้กันไปกันมาก็ชักจะมีความหมายเพี้ยนไปเช่นแปลว่าสะสางซึ่งไม่ค่อยชัดไปไปม า, มาแทนที่จะมุ่งไปที่การรักษาของของท่านกลายเป็นว่าจะเอาตัวเราเข้าไปแทรกไปจัดเลยกลายเป็นว่าเมื่อจะพูดในภาษาไทยใช้คาว่าสอบทาน ปลอดภัยกว่าบอกว่าสังคยนาเรื่องก็เป็นกันมาทำนองนี้ว่าท่านหรือคณะผู้เริ่มการปรารบว่าพระไตรปิฎกบาลีฉบับที่เรามีอยู่หรือใช้กันอยู่ในเวลานั้นๆสอบทานไว้ไม่ละเอียดละ อ, อไม่ทั่วถึงคำพีที่นำมาเทียบเคียงสอบทานไม่ครบเท่าที่มียังขาดฉบับอักษร น, นั้นๆการสอบทานยังบกพร่องเช่นเล่มนั้นข้อนั้น หน้านั้นตรงนั้นเป็นเวแต่ฉบับนั้นฉบับโน้นเป็นเจไม่ตรงกันก็ไม่ได้ทําเชิงอัฏฐบอกไว้ตรงนั้นของเราเป็นปามุชชังแต่ฉบับนั้นฉบับโน้นเป็นปาโมชชังไม่ตรงกันก็ไม่ได้ทําเชิงอัฏฐบอกไว้ในฉบับนี้ชุดนี้เองพระสูตรเดียวกันนี้มีในเล่มนี้และมีในเล่มนั้นด้วยแต่มีคําต่างกันอยู่คําหนึ่ง ก็ไม่ได้ทำเชิงอัดบอกข้อต่างให้ไว้พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งการจัดตั้งวางข้อไม่ค่อยเป็นระบบบางเล่มข้อหนึ่งหนึ่งมีเนื้อความยาวหลายหน้าแยกความแยกประเด็นได้ก็ไม่แยกจัดตั้งข้อควรทำย่อหน้าก็ไม่ทำแต่บางเล่มจัดตั้งข้อเสียถีและเกินน่าจะจัดระบบให้ศึกษาค้นคว้าได้ง่ายเป็นต้น แล้วก็สรุปว่าน่าจะตั้งคณะผู้รู้ขึ้นมาดำเนินการตรวจชำระสอบทานให้มีรายละเอียดและการอ้างอิงที่โยงถึงกันเทียบเคียงกันได้ครบถ้วนและจัดวางระบบให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างดีที่สุดด้วยเหตุผลทํานองที่กล่าวมานี้จึงได้เกิดมีการจัดทาพระไตรปิฎกบาลีฉบับใหม่คือฉบับสอบทานใหม่ขึ้นมาโดยในดังว่านั้น ตามปกติพระไตรปิฎกบาลีไม่ว่าฉบับไหนก็จึงถือว่าเป็นอันเดียวกันถึงจะมีอะไรพร่องแผกกันไปบ้างข้อแผกเพี้ยนเผลอพร่องที่มีเรื่อรายไปหยุมหยิมดูว่ามากแต่มองที่ปริมาณข้อมูลที่มากมายกว่าสอง0 0ื่นหน้าก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแม้ว่าบางทีมีที่ต่างสําคัญสักแห่งสองแห่งก็อาศัยระบบสอบทาน ทำให้สืบส่องไปถึงกันแล้วก็ปรับให้ลงตัวได้ทั่วทั้งหมดอย่างน้อยก็มีจุดสังเกตเป็นที่กําหนดหมายไว้อย่างรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวไว้ได้บอกแล้วว่าพระไตรปิฎกตัวจริงของเดิมที่เก็บรักษาบรรจุพุทธพจน์พุทธวจนะเรื่องราวพุทธศาสนธรรมหลักคําสอนดั้งเดิมเป็นตัวแท้ที่จะถือเป็นมาตรฐานตัดสินได้จริง หมายถึงพระไตรปิฎกบาลีเมื่อจะเอาจริงจึงต้องใช้ต้องอ้างอิงให้ถึงพระไตรปิฎกบาลีเมื่อใช้เมื่ออ้างอิงไปถึงพระไตรปิฎกบาลีแล้วไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนจะเป็นฉบับสยามรัฐฉบับมหาจุลาเตปิตกังฉบับฉัฏถสังคีติฉบับอักษรโรมันหรือพระไตรปิฎกฉบับใดๆเท่าที่มีอยู่ก็เป็นหลักที่ยุติได้ขอเตยว่า ให้เป็นพระไตรปิฎกบาลีแต่ถ้าใช้อ้างไปที่พระไตรปิฎกภาษาไทยหรือภาษาอื่นใดเช่นภาษาพมา่าภาษาสิงหลภาษาอังกฤษที่เป็นคำแปลจากของเดิมคือออกจากบาลีไปก็เป็นอันให้รู้ว่านั่นเป็นเครื่องมือเครื่องประกอบการศึกษาไม่ใช่ตัวจริงแท้ที่จะเป็นมาตรฐานตัดสินได้